พราว่ามีอาการผู๋ไม่ถ่ายมีพระประสงค์จะเสวยยาระบายท่านพระอานน์ก็ไปแจ้งแก่หมอชีวกะหมอชีวก ะ, กะก็ได้ประกอบยาระบายถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเสวยยาระบายแล้วก็มีพระกายสําราญเป็นหมอชีวกะผู้นี้ได้เป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงในครั้งพุทธกาลนั้นเป็นอย่างยิ่งและได้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าไว้วัดหนึ่งในกรุงราชคฤิส เรียกกันว่าวัดชีวกรรมพวันซึ่งจะได้เล่าต่อไปเมื่อหมอชีวะกะโกมารพัชได้ถวายยาระบายแด่พระพุทธเจ้าจนทรงมีพระกายผาสุกแล้วก็ได้ถวายผ้าคู่สิวั ย, ยกะคือผ้าที่ทำจากแวนสีผีซึ่งพระเจ้าจันทปัรโชดกรุงอุชเชนีได้ส่งมาประทานเป็นการตอบแทนในการที่หมอชีวะกะได้ไปถวายการรักษาจนทรงหายจากโรคผอมเหลืองแด่พระพุทธเจ้าแต่ว่า ก่อนที่จะถวายได้ทูลขอพรข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าพระตถาคตทั้งหลายไดรล่วงพรเสียแล้วหมอชีวะกะก็กราบทูลว่าให้ทรงพิจารณาดูตามสมควรเมื่อสมควรที่จะประทานได้ก็ขอให้ประทานหมอชีวะกะได้ทูลขอให้ภิสูรรับเคระห์บาดีจีวรได้พระพุทธเจ้าก็ไทรงอนุญาตก่อนแต่นี้พระพิสูรใช้แต่ผ้าบางสกุล ค, คือเที่ยวเก็บผ้าที่เขาทิ้งมาทําผ้านุ่งหม่ม แม้รับผ้าที่ชาวบ้านถวายหมอชีวกะเป็นผู้ที่มาทูลขอให้ทรงอนุญาตให้ภิสูรรับผ้าที่นำมาถวายเป็นคนแรกผ้าอย่างนี้เรียกว่าคราฮาบดีจีวรในการทรงอนุญาตนั้นก็มีพระพุทธดำรัสตรัสเป็นกลางๆว่าถ้าปรารถนาจะถือผ้าบางสกุลก็ให้ถือปรารถนาจะรับคราฮาบดีจีวรนก็ให้รับแต่ว่าตราศรรเสริญความสันโดษคือความยินดีตามมีตามได้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 ได้อาศัยความมนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่โดยความเป็นผู้ที่มีใจประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแผ่บารมทิศที่หนึ่งในทิศที่สองในทิศที่สในทิศที่สในเบื้องบนในเบื้องล่างเธอเป็นผู้มีใจประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมทั้งสีนั้นอันไพยบูรณ์อันกว้างขวางไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความคิดเบียดเบียนแผ่ไปตลอดโลก ทั้งหมดในที่ทุกสถานโดยประการทั้งปวงครหาดีหรือบุตรขรหบดีเข้าไปหาเธอและนิมนต์ด้วยพัดในวันรุ่งเมื่อเธอประสงค์ก็รับนิมนต์และเมื่อเธอได้เข้าไปในบ้านตามที่รับนิมน์นั้นเขาก็อังคาาด้วยบินทบาทเธอก็มิได้มีความคิดขอให้เขาอังค่าด้วยบิณทบาทประนีตคือคิดหวงให้เขาอังคาด้วยบิณทบาทประณีตอย่างนี้อย่างนี้ เพื่อฉันบินดาบาด้วยการพิจารณาเห็นโทษและใช้ปัญญาที่แล่นออกคือไม่ได้บริโภคด้วยตัณหาเมื่อเป็นเช่นนี้ภิกษุนั้นจะชื่อว่าเป็นผู้มีเจตนาความจงใจเพื่อที่จะเบียดเบียนตนเพื่อจะเบียดเบียนผู้อื่นหรือว่าเพื่อจะเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างหรือหมอชีวกากราบทูลว่าถ้าภิกษุเป็นผู้เจริญพรมวิหารธรรมทั้งมีการพิจารณาในการฉันบินาบาบอย่างนั้น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 ไม่ได้ถวายให้พระตถ า, าคตหรือว่าพระสาวกของพระตถ า, าคตฉันด้วยสิ่งที่เป็นอกกับปียะหรือสิ่งที่ไม่สมควรก็ชื่อว่าได้ประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นประการที่หมเมื่อตราตัณี์แล้วหมอชีวะกาโกมารพัฒก็กราบทูล ส, สรรเสริญพระพุทธภาสิทธิ์และได้กล่าวรับรองว่าภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ฉันอาหารเป็นกับปิยะคือสิ่งที่สมควรฉันอาหารที่เป็นอนวัชชะคือสิ่งที่ไม่มีโทษ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 จะมีเนื้อสัตว์หรือไม่มีก็ตามก็พิจารณาฉันได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการบัญญัติลงไปด้วยเหตุผลและการปฏิบัติที่พอเป็นไปได้ในเมื่อที่จะอาศัยประชาชนอยู่ดังนี้ก็พอเหมาะพอสมพระมหากััจยานะพระเจ้าปัจโชดกรุงอุจเชนีซึ่งหมอชีวกะกมรพัฒไปรักษาและได้ทรงส่งผ้าศิวยกะมานอกจากเป็นผู้ที่เกรดส ป, ปิหรือเนอยส แล้วยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ดุร้ายจึงมีคำเรียกอีกคำหนึ่งว่าพระเจ้าจันทปัจฉโชดเติมคำว่าจันทะไว้ข้างหน้าซึ่งแปลว่าพระเจ้าปัจฉยอดผู้ดุร้ายและโปรดสวยน้ําจันทรแต่ว่าเป็นผู้ที่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเมื่อได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกก็คิดที่จะเชิญเสด็จพระพุทธเจ้ามาสู่กรุงอุจเชนีเมื่อปรึกษาว่าจะทรงใครไปเชิญเสด็จก็เห็นสมควรว่าปุโรหิต ของกลุ่มนั้นชื่อว่าการจะนะเรียกโดยโคดว่ากัจจายนะเป็นผู้ที่ควรเป็นทูตไปเชิญเสด็จได้จึงได้มอบหมายให้การจะนะปุโรหิตหรือว่ากัจจายนะปุโรหิตไปทูลเชิญเสด็จกัจจายนะปุโรหิตนั้นก็ทูลรับว่าจะไปเชิญเสด็จแต่ว่าขอปชช ร, ระทานอนุญาตบวชในสำนักพระพุทธเจ้าพระเจ้าปัจจุชดก็ประทานอนุญาต กัจจายนะปุโรหิตพร้อมกับผู้ร่วมทางอีกเจดคนรวมเป็นแดคนได้เดินทางไปกรุงราชคฤิสและขอบวชในสำนักพระพุทธเจ้าเมื่อบวชแล้วก็บำเพ็ญเพียรจนสำเร็จพระอาหารหันด้วยกันทั้ง8รูปกักจจายนะปุโรหิตผู้นี้มีเล่าวในประวัติของท่านว่าท่านเป็นบุตรของสกุลพราหมณ์ปุโรหิตในกรุงอุชเชนีเป็นผู้มีวันนางดงามใช้คำว่าสุวรรณวั น, นูคือมีวันนะเพียงวั น, นะของทอง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 เพราะว่าเธอสามารถแต่ยังราชตระกูลและประชาชนในกรุงอุจเชนีให้เลื่อมใสได้เพราะฉะนั้นพระมหากรดยายนะพร้อมด้วยพระผู้ร่วมเดินทางอีกเจ็ดรูปก็เดินทางไปกรุงอุจเชนีในระหว่างทางก็ได้ไปถึงนิคมคืออำเภอแห่งหนึ่งชื่อว่านาริในนารรนิคมนี้ได้มีธิดาของเศรษฐีที่ตกยากคือเกิดในขณะที่กําลังตกยากแล้วแต่เป็นผู้ที่มีผมยาวและงดงาม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 จึงได้ให้ราคาเพียง8ดกะหาปะนะเท่านั้นพี่เลี้ยงก็นำเงินแปดกะหาปะนะไปซื้ออาหารแบ่งเป็น8ส่วนแล้วนำไปให้ธิดาของเศรษฐีใส่บาตรแก่พระภิสุท์ั้ง8ดรูปนั้นพระมหากัจรยนะพร้อมทั้งพระอนุจรทำพัชกิจแล้วออกจากบ้านนั้นก็ตรงไปยังกรุงอุชเชนีไปพักอยู่ในอุทยานกันจนาวันของพระเจ้าแผ่นดินคนรักษาอุทยานจำได้ ก็เข้าไปกราบทูลพระเจ้าปัทเธชดให้ทรงทราบ พ, พระเจ้าปัทเธชดได้เสด็จมาทรงพบแล้วตรัสถามว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนพระมหากัจยานะทูลตอบว่าไม่ได้เสด็จมาเองโปรดให้ท่านมาพระเจ้าแผ่นดินก็ตรัสถามระยะทางที่มากับอาหารการกบฉันท่านก็ได้เล่าถวายตามเรื่องที่เป็นมาพระเจ้าปัท ช, ชรทรงนัสดับก็ทรงนิยมชมชื่น โปรดให้ไปรับทิดาเศรษฐีตกย่ามาเป็นพระมเหสีอีกองค์หนึ่งต่อมาพระมเหสีองค์นี้ได้ประสูติพระราชกุมารพระบิดาทรงตั้งพระนามตามชื่อของเศรษฐีผู้เป็นตาว่าโคปารากุมารและพระเทวีก็มีชื่อว่าโคปารมาตาเทวีพระเทวีได้โปรดให้สร้างวิหารถวายพระมหากัจจานะเทระในอุทยานกันจนวันนั้นพระมหากัจจานะเทระ เป็นผู้สามารถในการขยายความย่อให้พิสดารต่อมาในภายหลังเมื่อท่านได้ไปฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างพระเชตวันกรุงสาวัตถีท่านได้แสดงขยายความภาษิตที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยย่อแบบแต่งกระทูนี่แหละภาษิตของท่านนั้นพระอาจารย์ผู้สังขยาพระธรรมวินัยได้ ร, รวบรวมไว้มากเช่นประตูปินัทิกสูตรพระพุทธเจ้าได้ทรงปาราบเหตุนี้จึงได้ทรงยกย่องให้ท่านเป็นเอตตะทักคะ ในทางขยายความย่อให้พิสดารโดยเฉพาะท่าในใ้ทําให้เกิดความเลื่อมใสนับถือพระพุทธศาสนาในกรุงอุจเฉนีเป็นอันมากได้มีกลบุตรในกรุงอุจเฉนีออกบูตรกันมากในเมืองททาเรานี้ได้รู้จักท่านในรูปนั่งที่เป็นพระอุนอ้วนทําไมจึงได้สร้างรูปของท่านให้อ้วนนั่งพุงพรุยอย่างนั้นไม่พบหลักฐานในบาลีและอัตกถาเป็นแต่เคยได้ยินมาว่าท่านเป็นผู้มีวรรณะงดงาม จนมีผู้ใจว่าเป็นพระพรุทธเจ้าหลายครั้งหลายหนท่านจึงอธิษฐานให้องค์อ้วนอย่างนั้นเราก็มาสร้างรูปท่านเป็นพระอุน่นพระอ้วนนี้ของพมา่ามอญก็มีคือพระอุปคุตที่เราเรียกว่าพระโบเข็มของจีนก็มีคือพระสีอานเป็นที่นิยมว่าเป็นเครื่องหมายของความสุขสมบูรณ์ ให้เราอาจจะสร้างพระอุ่นขึ้นเป็นเครื่องหมายของความสุขสมบูรณ์เหมือนอย่างพม่ามอนจีนดังกล่าวก็ได้ในพระบาลีนั้นมักไม่ได้ระบุการเวลาแห่งการบำเพ็ญพุตธกิจไว้ในชั้นอัตถกถาก็มักไม่ระบุไว้แต่มีระบุไว้มากกว่าในพระบาลีฉะนั้นในการจัดว่าสุงบำเพ็ญพุตรกิจอะไรในปีไหนจึงจัตามที่มีระบุไวชัดบ้างตามสันนิษฐานบ้างตามเรื่องราวบ้าง ดังเช่นเมื่อเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในกรุงราชคริสอันส่องความว่าเป็นในระยะต้นมีเหตุผลที่ส่องความอย่างนั้นเช่นประธานอุปสมบทด้วยเอหิพิขุอุปสัมปทาซึ่งทรงใช้อยู่ในระยะต้นและเหตุประกอบอีกบางอย่างก็จัดเข้าในพรรษาที่สองสสด้วยมีอีกเรื่องหนึ่งที่หนังสือเล่ม น, นี้บอกว่าเกิดขึ้นในพรรษาที่สแต่เป็นเรื่องเกี่ยวแก่บุคคลคือในอัตถกถาธรรมบทเล่าว่า บุตรเศรษฐีในกรุงราชคริสผู้หนึ่งชื่อว่าอุคเสนครั้งหนึ่งได้มีคณะนักตะกัคือคณะนาฏศิดสินคณะหนึ่งมาสแสดงในกรุงราชคริสและมีการแต่ราวซึ่งใช้ไม้ไผ่ต่อตั้งพาดขึ้นไปในอากาศมีนักแสดงไต่ขึ้นไปเดินบนราวนั้นและฟ้อนรำขับร้องบุตรเศรษฐีอุคเสณได้ไปดูก็เกิดความพอใจในที่ดา น, นักฟ้อนผู้หนึ่งกลับมาบ้านก็ลงนอนไม่ยอมแต่ต้องอาหารบอกว่าถ้าไม่ได้ก็จะยอมตาย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 จงปล่อยในท่ามกลางเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งพบบุคคลผู้มีใจวิมุตติแล้วในที่ทั้งปวงจะไม่เข้าถึงชาติและชาราต่อไปอีกก็ได้ขออุปสมบทเป็นพิสุพระพุทธเจ้าก็ได้ประทานให้เป็นพิสุิด้วยเอหิพิขุอุปสัมปทาโปรดติดตามรับฟัง45รรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกุลมหาสังฆาปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป